มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับลุงตีครับสวัสดีสสดท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมค่ะช่วงนี้ค่ะลุงฝนก็ยังโปรยปลาย<ก>อยู่นะคะต ก, ตกอยู่ตลอดครับน่าเบื่อพอสมควรอนอกจากในเรื่องของจิตวิทยาแล้วคุณผู้ฟังอาจจะต้องดูแล ส, สุขภาพด้วยอ <laughs> ่วงหน้ า, าฝนแบบนี้นะคะถ้าบางวันเราสองคนเสียงแปลกๆไปบ้างก็แสดงว่า เราป่วยนแล้วล่ะเราเริ่มเป็นหวานแล้วล่ะแต่จริงๆเวลาที่ฝนตกแบบนี้ก็ทางจิตวิทยามันก็มีผลเหมือนกันลุงบางทีเราก็เบื่อเนาะเบื่อนายก็เบื่อหน่อยเงาแต่แต่ว่าซิลี่ม่ชอบเอาไปถ่ายนะค่ะนางเอ็มิวสิกบรรยากาศมันก็จะเป็นอีกอีกบรรยากาศหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงนะคะเราไม่ได้พูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับฝนเลยเราพูดถึงในเรื่องของความคิดค่ะลุงโอเค ความคิดเนี่ยถือว่าสำคัญนะคะเพราะว่ามันสามารถกำหนดชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะครับผมได้เลย ค, คือ อ, คค อ, อะไรก็ตามที่เราคิดหรือว่าอยู่กับมันนานๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะว่าเราเป็นคนคิดแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้นะคะคซึ่งบางทีอาจจะต้อง มีเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลงมือทําคิดแล้วก็ลงมือทําเพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์นะคะก็คิดแล้วก็ต้องทําด้วยแล้วก็วันนี้ค่ะความคิดกําหนดชีวิตอย่างไรฟังเราสองคนนะคะลองดูครับอลุงคะ่ะลุงว่าความคิดกับสติเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงคะต้องบอกว่าไม่เหมือนเนอ ะ, ะนะครัคือความคิดเนี่ยคือความคิดของคนเราโดยทั่วไปซึ่งมันสามารถไปได้ไกลอะ่ะค่ะ กระเจิงไปเรื่อยๆแต่สติไม่คือการเอาความคิดมามาจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งเห็น mm. ไหมครับนั่นคือความแตกต่างละยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าบอกว่าเกิดเราคนเินเนั่งมองถนนเนะ <Yeah. S 2> าะเองคนเดินไปนมาเราอาจจะคิดอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยเห็นไหมครับแต่ถ้าบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เราต้องการอะไรนั่นมันเอาตัวความคิดเนี่ย มามากักหังเอาไว้ให้รู้สึกว่าอยู่ในที่แคบๆที่เราต้องการได้การที่เรามีความคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ยคะ่ะเราต้องมีสติด้วยไหมคะไม่ดุงเพื่อจะให้ความคิดนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีให้คิดแบบไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรอย่างนี้คะ่ะลุงมันสามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ไหมคะได้ครับคือถ้าบอว่าถ้าบอกว่าฝึกนะต้องบอกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเราฝึกเนี่ยเวลาเราคิดอะไรไปแล้วเราก็อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสติ<า>มันก็จะเกิด นะครแต่ถ้ามอว่าเราคิดไปอย่างที่เมื่อกี้น้องน้องทีพูดไปมาประโยคหนึ่งครับว่าปรุงซ่านเนี่ยใช <id> ่นู้นคิดนี่ค่ะเออนะครับมันจะกระจายมันจะปรุงไปเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับคิดเล่นเตื่อยอ่ะจนบางทีเพื่อนถามบอกว่าคิดอะไรอยู่อ๋อป่าเปคิดอะไรเล่นเล่นอืออันนี้อันนี้คือประโยคที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆถ้าถ้าเรามีความคิดความคิดของเราไปควบคู่กับสติอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะเกิดผลดีกับเราใช่ไหมคะ ใช่เลยครับเพราะว่าสติเนี่ยมันจะเป็นตัวการที่ต้องบอกก่อนขอโทษทีคือความคิดเนี่ยมันจะออกมาแล้วเนี่ยนะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเรามีสติคุมอยู่เนี่ยมันจะทําให้ความคิดของเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กับตัวเราได้อย่างนี้สติกับความคิดมันควบคุมการกระทําใช่ไหมคะลุงถูกต้องครับมันควบคุมการกระทําอย่างเช่นถ้าบอกว่าเรามีสติคเราคิดนะเอาง่ายๆตัวว่าลุงคิดอยากจะเอาก้อนหินปลาหัวหมา อันนี้เอาเอาแบบเร็วๆกันนะเลยครับแล้วสนตึกก็บอกคือว่าเอาเอาเลยเอาเลยคือไม่ได้คิดกระเจิงอ่ะแล้ในสึกก็หยิบก็หินแล้วนั้นมาปาหัวหมาคือรู้ตัวอยู่ตลอดว่าจะปลาหัวหมาใช่ไหมคะแต่ว่าคิดมันคิดไม่ดีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะอะไรคะลุงเราถึงต้องคิดก่อนทําใครๆก็บอกว่าเราต้องคิดก่อนที่จะลงมือทํานะไม่ใช่ว่าทําแล้วกลับมาคิกมาคิดที่หลังอย่างเงี้ยค่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ละ ถูกต้องเพราะว่าเราไหลครั้งมากที่เราไม่ได้คิดก่อนทําอะ่ะ่ะครับอยากจะทําอะไรก็ทําเลยนะครับตามหลักตามหลักจิตวิทยาก็เรียกว่าอิมันจะมี e e อิีโก้ซูเปอร์อีโก้คืออยากทําทําเลยค่ะไม่ทันได้คิดไม่ทันได้อะไรหรอรับมันก็จะพลวดพลาดออกไปเลยอย่างเช่นถึงว่าเกิดบางทีกําลังนัง่งนั่งอยู่เพลินเพินเกิดนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยไปห้ากับรพสินค้าดีกว่าค่ะไปเล ย, เลยแตอออกไป <laughs> เลยนะครับโดยที่ ลนึกไปว่าตอนบ่ายนัดแฟนไว้หรือไม่ก็มีประชุมอยู่อะไรอย่างนี้แหมลุงก็ไปทางแฟนจริงๆเอาเรื่องงานก็ได้เอออาจจะอาจจะติดประชุมติดลูกค้าติดนัดสำคัญอะไรอยู่อย่างเนี้ค่ะบางทีมันต้องควบคู่กันไปใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องคือทําแล้วมันก็กลับมาคิดได้ทีหลังมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะลุงบางทีมันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆกับบางที่มันเสียหายด้วยนะ ใช่เราทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดริง่งถ้าเิดเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบที่หน้าอย่างเงี้ยแล้วเราพูดอะไรออกไปหรือว่าแสดงสีหน้าท่าทางออกไปให้เขารู้สึกเลยเนี่ยคางทีเราก็นึกว่าอันนี้เราเราดูว่าเราแพ้แล้วนะ่ะค่ะถูกไหมครับเราดูว่าเราแพ้และใครคุมได้ก่อน<ล>ชนะอย่างเงี้ ย, <c oughs> ยเหรอคะกำลังจะบอกอย่างนั้นเราจะเป็นผู้ชนะได้คือกันที่เรามีสติแล้วก็คุมอา ร, รมณ์ของเราได้นะครับ <c oughs> เราสามารถใช้ชีวิตไปวันๆได้ไหมคะแต่เรามีสติตลอดนะเราก็คิดแล้วว่าทุกวันที่เราทําเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดล่วงหน้าอาจจะได้ไม่ได้มีแพลนอะไรไว้อย่างเนี้ค่ะลุงใช้ชีวิตไปวันๆใช้ได้แต่ว่าถ้าการที่เราไม่มีแพลนหรือว่าไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไงใช่ไหมครับ เราไม่รู้จริงว่าจะไปทางไหนอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างที่ลุงบอกเนี่ยลุงจ ะ, กะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยค่ะลุงจะไปไหนต่อล่ะถ้าลุงไม่มีแฟนเอาไว้บ้างเลยเนี่ยอย่างเช่นลุง ก, ก็นึกเมื่อคืนนี้ลุงก็นึกนะเมื่อต้นเกษียณแล้วเขาจะยังให้เราจัดอรายการวิวส <c oughs> นุกเนีน่ย <c oughs> อยากจัดใช่ไหมคะลุงลุงอยากจัดไหมกลุงชอบก็สนุกสนุกเพลินเินนะครับคือเวลาทําอะไรให้มันหลากหลาย ยังลุงลอาจจะสอนหนังสือเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลุงทําแบบนั้นอยู่บ่อยๆแล้วลุงมาจัดรายการวิทยุลุงก็รู้สึกว่ามันสนุกนะคะอ่ามันมันก็มีก็มีสีสันในชีวิตขึ้นแล้วเราก็จะมาได้คิดอีกแบบหนึ่งจริงไหมคะปกติลุงสอนหนังสือลุงก็คิดแบบเนี้ยอ๋อลุงเป็นวิทยากรลุงก็ต้องคิดแบบนี้พอเป็นดีเจลุงก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งโูเลเพราะว่าถ้าสอนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็อ่น เราไปใช้ประโยชน์ค่ะ้าเกว่าเป็นวเป็นเป็นดีเจกับน้องทีเงี้ยสิ่งที่เราคิดเหมือนกันซึ่งลุงคิดว่าเหมือนกันคือผู้ฟังจะได้อะไรจากเราอืมเรา เ, เราพยายามที่จะให้คุณผู้ฟังเข้าใจมันง่ายๆกับจิตวิทยาที่เราเอามาพูดคุย<ช>กันน ะ, นะคะลุงแล้วก็เราพยายามที่จะให้เข้าใจในมุมมองของของวัยถ้าเป็นเท่าลุง <laughs> กับมุมมองของ วัยซึ่งเป็นทีแล้วก็ด้วยวเพศด้วยอะไรก็เราตาเพศชายเพศหญิงมุมมองความคิดถ้า<ช>ถ้าฟังเราสองคนจะจะได้มุมมองหลากหลายเหมือนกันนะคะลุงใช่เลยครับอันนี้ลุงลุงชอบมากคือหนึ่งเรามีสองเพศแล้วก็สองวัยเพราะฉะนั้นแนวคิดอาจจะไม่เหมือนบ้างเหมือนบ้างนะครับซึ่งซึ่งคนฟังก็จะได้ประโยชน์นะคะลุงเคยได้ยินไหมคะว่าคิดผิดคิดใหม่ มันมันทำได้จริงไหม <S <s <S แต่บางทีเราคิดผิดเราทําไปแล้วเราทําผิดไปด้วยอะลุงอะนะครับมันมันคิดผิดแล้วคิดใหม่เนี่ยมันก็มันก็ทําได้แต่บางทีมันคิดผิดแล้วผิดเลยวนะมันทําผิดไปแล้วมันเสียหายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะลุงเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะเวลาที่ลุงออกข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากเด็กสอบมิดเทิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาทิตย์ต่อไปลุงใจเฉลยนะอืที่ลุงเฉลยเพราะว่าลุงมีความรู้สึกว่า ถ้าไม่เฉลยเดี๋ยวคุณตอบแล้วแบบนี้ยคุณก็จะคิดแบบเดิมอีกโอ๋ใชไหมครับค่ะคุณก็จะคิดแบบเดิมเพื่อให้รู้คําตอบไปเลยใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะคิดใหม่เลยใช่ย่างงี้ใช่ย่างงี้ใช่ไหมครับใช่คนจะคิดใหม่นะต้องเป็นอย่างนี้นะอืมคราวนี้ค่ะลุงถ้าเราคิดผิดนะคะเราทําอะไรที่มันเสียหายไปแล้วแต่ว่าเราคิดใหม่มันก็หมายถึงว่าเราปรับปรุงตัว ใช่ไหมบบคมัน <ทำ S 1> มัน <ทำ S 1> จะนพัฒนาได้ดีกว่าคิดผิดแล้วก็ไม่ได้คิดใหม่ก็คิดอยู่อย่าง <c oughs> นี้ครับ <c oughs> คือคือคนบางคนเอ่อถือว่าเราพูดเรื่องอื่นบ้างพูดเรื่องพูดเรื่องอื่นบ้างเช่นถตอว่าเราเจอคนคนเนี้ยเราคิดว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีอ่ะค่ะเราก็คิดว่าเขาดีมาตลอดอ่ะแต่พอวันหนึ่งมาเจอข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อ้าวคนนี้หายยาสิดติดอ่ะค่ะอย่างเงี้ยคุณจะเปลี่ยนความคิดไหมล่ะ เราก็ต้องคิดใหม่นะคะใช่ไม่หรือคุณจะบอกว่าเฮ้ยแต่ที่รู้จักมาเขาดีนะอย่างนั้นเหรอหรือว่าคิดแบบกลางๆก็เขาอาจจะมีมุมที่ดีแต่เขาก็อาจจะไม่ใช่คนดีทั้งหมดร้อเอร์็นตได้ไม่คนดีทั้งหมดแต่พอข่าวหน้านึ่งมาออกมาซึ่งวันนี้ยข่าวเราก็ต้องคิดกันดีกว่าว่าฟังวันแรกเนี่ยอย่าไปเชื่ออืมันเชื่อได้ไหมครับค่ะเชื่อได้ยากมากนะครับวันแรกๆค่ะ ก็เอามาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังกันนะคะว่าความคิดมันสำคัญจริงๆแล้วมันก็สามารถกำหนดชีวิตได้แต่ว่ามันจะกำหนดชีวิตอย่างไรเนะี่ยเดี๋ยวมาฟังเราในเบรกที่สองกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่สะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม rmut moving towards innovative university เธอเธอลกันเพราะก่อนที่เราต้องเดินแยกทาฉันมีความคิดเลยลายอย่างหลายอย่างละเกินที่ฉันไม่ได้พูดไปแต่กลอกมน ได้ดต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นที่เดียวกันนี้เธอจะนึก สู่ช่วงที่2ของรายการจริตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงความคิดนะคะความคิดกําหนดชีวิตนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาฟังเราทั้งสองคนว่าเอ๊ะความคิดมันกําหนดชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะลุงขาความคิดเนี่ยคิดแบบไหนคะถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อันแรกเลยอยากจะให้คิดในแง่ดีค่ะนะครับจากการที่คุณอาจจะเคยทําดีหรือไม่ทําดีก็ไม่ทราบแหละนะครับ แต่การที่คุณคิดดีไว้ก่อนอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนออต้นตรายการนะครับว่าถ้าเราคิดดีเอาไว้แล้วพฤติกรรมที่จะทำมันก็ออกมาน่าจะเป็นผลดีด้วยนะครับซึ่งการคิดดีเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดดีกับคนอื่นหรอกคิดดีกับตัวเองก่อนใช่ค่ะครับคิดดีกับตัวเองให้เป็นก่อนนะครับอะไรเป็นส่วนดีของเราเราเราคิดเลยเราบอกเลยไม่ต้องรอใรรบกวนนะครับเรา ด, ดีก่อ น, นค่ะ พอเราทําตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็เริ่มคิดถึงคนอื่นดีอนะครับคือถ้าลุงค่ะถ้าเราฝึกคิดดีไปเรื่อยๆนะคะเราจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคิดหรือมุมมองมันจะกลายมาเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมของเราแบบถาวรได้ไหมคะได้ครับได้ครับกแต่ขอให้มีจุดเริ่มต้นของเนาะขณะเดียวกันขอมุมกลับกันนิดนึงถ้าคุณคิดไม่ดีมาตลอดอะค่ะคุณก็จะเห็นเลยแต่สิ่งที่ไม่ดีคุณเดินออกจากบ้าน ไปที่ใดที่หนึ่งสัประมาณหนึ่งกิโลเดินผ่านมามองโน้นมองนี่ไอเ ด, ด, ด, ด่นก็ไม่ดีไอมีแต่ที่ใดที่หนึโอ้มันแย่ไปหมดถนนก็เช่อแฉะหน้าเบื่อรถก็ติดม้าก็เยอะแั่นแหละขยโญขยยางก็ไม่มีที่พ<อ>ิ<า>งอะไรทั้งๆที่ ท, ทั้ทงๆที่มันก็เป็นแบบนี้ของมันมาแต่ไหนแต่ไรความใจครับอืมอมีอีกไหมคะลงุงอันต่อไปนะครับคืออย่าเชื่อในสิ่งที่เราเห็นจริงค่ะแล้วอันนี้อันนี้เป็นเรื่อง แต่จะทำเลยบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรไปแล้วแล้วเราวิจาร์ไปแล้วไงะนะครับหรือว่าเห็นอย่างเช่นเนี่ยที่มีเคสแน่ๆอย่างของของตัวเองอย่างเช่นรุปสิทธิ์สองคนเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนแล้วก็เดินขึ้นโรงแรมไปด้วยกันอืมอาจจะไปอาจจะไปช่วยเพื่อนอ<า>ีกคนหนึ่งก็ได <laughs> ้แต่ว่าสิ่งที่ํามมาคือคนตัวนใหญ่จะคิดว่าอะไรครับอืม ก็น่าจะไปทําอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นเนี่ยอย่าเพิ่งไปวิจารณ์อืนะครับอย่าเพิ่งไปวิจารณ์บางทีความคิดของเราก็ผิดได้ค่ะริ่งความคิดของเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนมามาบอกว่าไม่ผิดเราโดยพอนตัวเองเลยจะบอกว่าเอาแค่ดูความคิดแถูกไว้ก่อนมันมั่นใจไหมคะลุงว่าสิ่งที่เราทําเรา ลุงขาอันนี้ขอถามนิดนึงคือที่ <บ S 1> อาจจะได้ได้เห็นคนที่มันค่อนข้างหลากหลายเพราะที่ต้องทํางานกับคนเยอะๆ <บ S 1> ที่เห็นว่าครอบครัว ม, มันก็มีผลต่อความคิดเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นบบถ้าเขาเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งเติบโตมาในครอบครัวซึ่งอาจจะคุณแม่เสียชีวิตเราต้องอยู่กับพ่อหรือว่ากับพี่ชายพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <บ S 1> เขาต้องคิดเขาต้องดูแลตัวเองแบบเนี้ยเขาก็จะพยายามคิดว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ย มันถูกตลอดเพราะฉันตัดสินใจแบบนี้มาตั้งแต่เด็กและฉันรอดมาได้ถึงทุกวันนี้มันเกี่ยวกันไหมคะกับสภาพแวดล้อมที่เขาต้องเจอก็ก็เกี่ยวนะครับอย่างเช่นกรณีที่น้องทีบอกเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าผู้หญิงปกติสักหน่อยนึงในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่ใครมาแนะนำนะฮะหรือว่ามามาบอกว่าเฮ้ยทําอย่างนี้ดีไหมเขาจะรู้สึกปฏิเสธทันทีเลยอใช่ที่ก็จะเห็นพฤติกรรมเขาก็จะ ประมาณอย่างนั้นปฏิเสธทันทีแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองพูดสิ่งที่ตัวเองทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องอืนั่นแหละนะแล้วก็ อ, อย่าไปอย่าไปยุ่งคือไม่ใช่อย่าไปยุ่งอย่าอย่าไปแนะนําเขาเลยจนกว่าเขาจะเห็นของจริงว่าอ๋อมันผิดจริงๆรนี่หว่าหรือจนกว่าจะให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องครับบางทีงถ้า ค, คุณผู้ฟังไปเจอพฤติกรรมอะไรอย่างที่ที่เอามากเกิดให้คุณผู้ฟังฟังก็อยากจะให้มองที่พื้นฐาน ครอบครัวสภาพแวดล้อมสิ่งที่เขาเป็นมามันอาจจะทําให้พฤติกรรมเขามันออกมาเป็นแบบนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจเข้ามากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะลุงใช่เลยครับใช่เลยมีอีกไหมคะอย่างเช่นพอไม่ได้คิดเราพูดถึงเรื่องนั้นก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรที่จะเรียนรู้กันวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นด้วยรับฟังความคิดเห็นความคิดจากผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นค่ะใครฟังวิจารณ์เราถ้าเผื่อว่า เราช่างน้ำหนักแล้วเออใช่ว่ะ<ม>เราก็าเป็ี่ยนความคิดเลยนะครับอย่าพึ่งอย่าไปยึดติดกับไอ้ความคิดที่ที่ยอดเยี่ยมของตัวเองอย่างเด <c oughs> ีคือมันไม่มีใครเพอรเ์เฟกต์นะฮะเอาเข้าจริงงัมไม่ <c oughs> ไ ม, มีใครสมบูรณ์แบบคื อ, อถ้าคนชมเนี่ยใครก็ชมได้นะคะลุงแต่ถ้าคนาที่จะวิจารเราเนี่ยเขาต้องใช้ความกล้าจริงๆนะเขาถึงจะวิจารณกับตัวเราได้ เพื่อคุณไม่ใช่ฉันคุณยังกล้าวิจารณ์ฉันนะ่ะอืมแสดงว่าเขาอาจจะหวังดีกับเราจริงๆแต่ถ้าคนไม่หวังดีเราก็ดูง่ายๆนะคะเขาไม่ชอบเราเขาอาจจะไปนินทากับคนอื่นแต่ถ้าเมไรที่<ด>เขาเดินมาบอกเราตรงๆเนี่ยมันคือการวิจารณ์เพื่อก่อเพื่อพัฒนาเพื่อให้เราปรับปรุงอย่างนี้นะคะแหมคิดบวกอีกเห็นไหมคะลุงใช่ใช่อันนี้ดีมากเลยน้องทีคือถ้าคุณถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นแบบน้องทีหรือความพิยงองน้องทีนักขนาดเนี้ยนะคร เวลาที่ใครเข้ามาวิภากเราเฮ้ยทาไมเดินเส๋ๆเนี่ยทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเออ่ะเรามาพิจารณาตัวเราเองดูบุคลิกภาพของเราเองคือว่าเขาบอกถูกเลยเพียงแต่ว่า<ม>คน<ช>อื่นจะไม่กล้าบอกเราเนาะ บ, บางทีอใช่แล้วบางทีเนี่ยอ่าในเฟซบุ๊กจะเห็นบ่อยๆเลยเช่นอยู่ๆผู้หญิงอันนี้คงคาดว่าเป็นผู้หญิงกุ่นเพราะไม่รู้จักหรอกเขาบอกว่า กูไปอ้วนหนักหัวประมาณพ่อมือนอคือไม่ได้ให้เงินฉันมาซื้อกินอย่างเงี้ยเลยอ๋อคือบางทีเนี่ยเขาก็อ้วนจริงอ่ะแต่ว่ามันมีสองทางรับคือไฟเฉยไปเลยกับไปบอกอืมก็บางทีทุกคนพื้นฐานก็ไม่มีใครอยากโดนตำหนิหรือถูกวิจารณ์อยู่แล้วนะคะ ก็ก็ดูเจตนาแล้วกันค่ะว่าถ้าเขามาบอกเราเขาเป็นคนที่รักระหว่างดีกับเราเจตนาเขาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่ามาว่ามาติมาอะไรเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนเรามันพัฒนาได้ไม่ใช่จากคําชมนะลุงมันมาจากคําติใช่ไหมคะเขาถึงบอกว่ามันติเพื่อก่อนนะคะเอนะคะเพราะอะไรลุงเราถึงไม่ควรคิดมากเป็นคนที่คิดมากคิดยุ้มยิ้มคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอืมอันเนี้ยนะครับเอ่อ ต้องบอกเลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราเยอะเยอะเยอะคนเลยที่คิดเยอะค <Yeah. S 2> นะครับที่คิดเยอะเพราะว่ามันมีสถานการณ์มีเหตุการณ์มีอะไรที่มันลุ่มเล้าเข้ามามนุษย์เราเนี่ยพราหมีสิ่งมีข้อมูลใส่เข้ามาในสมองปุ๊บมันคิดน <Yeah. S 2> <ล>ะแต่ถ้าเผ mm. ื่อว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราสักพักเราจะรีเจคออกไปมา mm. นะครับแต่ถ้าบอกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับเพื่อญาติเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูง เราเราจะเริ่มรู้สึกคิดเยอะขึ้นซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นการบั่นทอนสติปัญญาอย่างหนึ่งเนาะคนที่มันคิดมากมันก็จะคิดมากกับทุกเรื่องจริงๆนะลุงใช่ครับใช่ครับมั น, มนไม่สามารถ <จะ S 1> คิดน้อยๆยดได้ใช่เมันจะเครียดเอาแต่เรื่องที่มันเกี่ยวกับเราอย่างที่สองอย่าไปคิดเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเอาแต่คิด เ, ครเรื่องของรครับ แล้วเธอคิดไปแล้วมันปวดหัวก็ลองไปคิดเรื่องอื่นดูไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่าไปคิดเรื่องอื่นบ้างกลับมาคิดเรื่องตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เลยครับชีวิตมันก็ยังต้องดําเนินต่อไปรุ่งค่ะค่ะคำถามสุดท้ายค่ะเราจะสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของเราได้อย่างไรบ้างคะปกติเราเห็นอ่าอย่างที่ลุงบอกเห็นเนักศึกษาผู้ชายผู้หญิงเดินเข้าโรงแรมไปอุ้ยเราคิดแน่ๆเลยเนี่ยเขาต้องไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่เหมาะสมเอแต่เราจะเปลี่ยนความคิดของเรา ยังไงดีคะมันต้องเริ่มต้นก็อบอกนี้ครับว่าถ้าบอกว่าท่านผูฟ้ฟังฟังฟังรายการวันนี้ของเรามาตั้งแต่ต้นเนียจะเห็น เ, เลยว่าน้องทีเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกครับอันนี้ขอชมขอชมลงุงทีจะบอกว่าบางคนเขาบอกว่าทีโรคสวยเอาโรคสวยไม่สวยลงุ<อ>ลงลงุงลุงไม่ไม่พูดประโยคนั้นแต่ว่า ค, คิดบวกกับโรคสวยต่างกันนะโรคสวยอาจจะออกแบตจลิตอ๋อพูด ต, งตรงตพูด ต, งตรงตแต่ถ้าคิดบวกคือการที่ คุณมองตามความเป็นจริงแต่อิงไว้ซึ่งความการให้เครดิตเท่านินเองคือที่มองยังไงก็ได้ให้มันมีความสุขอะแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มที่จะหาความสุขให้ตัวเองกําลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าบอกว่าต้องการจะเปลี่ยนความคิดเนี่ยนะครับเราเริ่มจากให้มองมองภาพแรกที่เรามองแล้วถ้าลบเมื่อไหร่ปุ๊บเราหยุดเลยเราหยุดคิดก่อนแต่ถ้าแปลว่าเรามองแล้ว เออวันนี้ดูบวกขึ้นได้อันนั้นแหะคุณเริ่มเปลี่ยนความคิดได้แล้วแล้วพอมันมันบวกมันก็จะบวกไปตลอดนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าคนอื่นโลกสวยคนนั้นมักจะมองเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายลุงเออถูกคนปกติเราเขาก็จะมองว่าเอ้าก็ก็คิดบวกดีออแล้วก็บางทีอย่างนี้ด้วยลุงบางทีเขาอาจจะอาจจะอิจฉาเราก็ได้จะไปคิดอย่างนั้นเลยเลุง ที่เขาคิดไม่ได้อย่างเราเป็นไปได้ค่ะเขาเขาอาจจะมองยังไงเขาก็มองไม่ได้ครับแต่ว่าเราอาจจะมองมันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกอย่างมันไม่ได้หลอกตัวเองหลอกลุงเพียงแต่ว่าอยากจะทำให้ชีวิตมันเงียบสงบตาเระยบแล้วก็มีความสุขอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าหมดเวลาลงแล้วค่ะลุง ครับผมกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะจิตวิทยาแบบเบาแบบนี้ทุกๆุกคนสุขเลยค่ะใช่ไปตีสี่ขึ้นถึงตีห้ครับผมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวรดียิ่งมีค่ะคุณยูนัทสมาคมยูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรม